เวลาที่เราทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะท่านผู้ฟังมันก็จะมีอุปสรรคตั้งสิ้นหลักยิ่งถ้าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ดีงามอุปสรรคมันยิ่งมากอันไหนยิ่งเป็นสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่มีความสำคัญแล้วยิ่งสูงยิ่งมีประโยชน์มากอุปสรรคมันยิ่งเยอะเขาจึงใช้คาว่าอุปสรรคท่านผู้ฟัง คำอุปสเนี่ยก็หมายถึงการเข้าไปสักคะก็คือสวรรค์อุปสรรคก็คือเข้าไปสวรรค์เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับบันไดจำ่ว ง, งอุปสรรคเนี่ยเป็นเหมือนกับบันไดให้เราก้าวขึ้นไปนยิ่งมีอุปสรรคมากเรายิ่งไปได้สูงเราข้ามอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ใจิตใจเรายิ่งมีกํำลังใจิตใจเรายิ่งสูงขึ้นอุปสรรคมานั้นเพื่อที่จะให้ ใจิตใจเราดีขึ้นสูงขึ้นใกล้ถึงความที่ไปสู่สวรรค์แต่เขาจึงใช้ชื่อคําว่าอุปศักข์ศักขะคือสวรรค์อุ ป, ปา ก, ก็คือเข้าไปเพราะฉะนั้นเราเจออุปสรรค์ใดๆก็ตามให้นึกไว้เลยนี่เป็นเครื่องที่ทําให้ใจิตใจของฉันเข้มแข็งใจิตใจของฉันสูงสูงขึ้นไปจนหนึ่งสวรรค์ที่จะมีความสุขถ้าเราเก้าวข้ามไปได้ผ่านพ้นไปได้ เราจะเจอสิ่งที่เป็นความสุขสิ่งที่ดีที่งามนั่นคือแทนด้วยคำว่าสวรรค์นั่นเองยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มันใหญ่เรื่องที่สําคัญเรื่องที่จําเป็นและยิ่งมีอุปสรรคที่สูงที่มากยิ่งโครงการไหนๆหรือสิ่งใดๆที่เราทําใช้เวลายาวนานแต่เมื่อก็เจออุปสรรคตลอดทางเป็นทางที่จะทําให้เราสูงขึ้นดีขึ้นนั่นเองอุปสรรคการภาวนาก็เหมือนกัน เวลาที่เราจะนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยอุปสรรคมันจะมาขวางขวางเพื่ออะไรให้เราก้าวข้ามได้ถ้าเราก้าวข้ามได้เราสูงขึ้นจิตเรามีกําลังมากขึ้นอุปสรรคการภาวนาก็นี่แหละที่เราเคยรู้เคยเรียนกันมาทราบกันมานั่นคือเรื่องของนิวรณ์คือเรื่องกลางกั น, นเป็นลนักษณะอุปสรรคนที่จะขวางเราเอาไว้เราก้าวข้ามขึ้นได้เราก็สูงขึ้น นะเข้าไปใกล้สวรรค์มากขึ้นอุปสรรคเหล่านี้มาเพื่อที่จะกวนเราขวางเราท่านฟังลองนึกเปรียบเทียบดูเหมือนกับบันไดยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเจอบันไดขั้นที่หนึ่งโอ้โหมันสูงแงข้ามไม่ได้นะยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ไปถึงชั้น2องสักทีขึ้นต่อไปไม่ได้นะเราก็ต้องก้าวข้ามไปหาวิธีการยังไงที่จะข้ามเจ้าอุปสรรคเราจะมาอยู่แต่ตรงเบรนบันไดไม่ได้ เราข้ามไปข้ามไปสิ่งเหล่านี้ทําให้เราสูงขึ้นสูงขึ้นบางคนอาจะตามว่าเอานั้นมีลิฟต์ไหมในเะดือนนี้เขาก็มีบันไดเลื่อนหรือมีลิฟต์ที่เป็นลักษณะให้เราขึ้นไปสู่ที่สูงได้โดยที่ไม่ต้องใช้แรงมากเหมือนกนารเทพฟังในะหลักการเดียวกันมันต้องขึ้นสู่ที่สูงมันต้องเข้าไปใกล้สวรรค์แตนะ่ต่อให้เราจะใช้แรงของเราเองหรือว่าแรงกลไกอื่นนะจะเป็นบันไดเลื่อนหรือว่าเป็นลิฟต์ มันก็ต้องมีการยกขึ้นมีการสูงขึ้นทาให้เข้าไปใกล้ขึ้นเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเรามีอินรีย์ที่เข้มแข็งขนาดไหนคนที่มีอินทรีย์แก่กล้าก็จะนิวรันบ้างอุปสรรคต่างๆก็มีอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นเขาก็ข้ามได้ไวข้ามได้เร็วแล้วก็เปรียบเหมือนคนที่มีลิฟต์มีบันไดเลื่อนเขาก็ข้ามไปได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเราจริตเราไม่ได้มีกําลังสูงยังมีอินทรีย์ไม่แก่กล้า การที่จะข้ามล่วงอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นเราก็จะมีความยากลําบากอุปสรรคที่เราพูดถึงในนี้ก็คือเรื่องของนิวรณคือเครื่องกลางกันนะทําปัญญาให้ถอยกําลังเป็นเมื่ออุปสรรคที่จะมาขวางถ้าเมื่ อ, อไรเราข้ามได้สมาธิจะเกิดขึ้นทันทนะีจิตเราจะรวมลงเป็นอารมณ์ัเดียวอุปสรรคอย่างแรกก็คือเรื่องของอความอยากในกามบุรุษชาใช้คำว่ากามัจฉันทะความพอใจความใคร่ในกาม จ, จะไม่ได้เสพกามแต่ยังยินดีพอใจในอาหารรสอร่อย อ, อ ย, ยินดีพอใจในเตียงนอนนุ่มๆแต่ความยินดีพอใจในสิ่งเหล่านี้จะทําให้เป็นเรื่องกลางกันเราต้องข้ามตรงนี้ไปเรื่องของความอยากในกามความพอใจในกามบางค ร, รั้งบริษชาวก็ใช้คําว่าการเพ่งเลงนะคือลักษณะว่าเพ่งเลงทรัพย์ของใครทรัพย์นั้นจงมาเป็นของเราแต่ยังไม่ได้ขโมยนะยังไม่ได้เอาของเข้ามา แต่เพ่งเล็งไว้เฉยอัน น, อนี้เราอยากได้อันนี้เราอยากมีอยากเป็นอย่างนั้นเน่ยเพ่งเล็งเอาไว้นีใช้ศัพท์ก็ว่าอภิชฌานี่คือเข้าข่ายลักษณะของคนที่เป็นหนี้แต่ตัวเองไม่มีไม่มีสิ่งนั้นแต่ว่าอยากมีอยากได้แล้วก็ไปกู้หนี้มาแล้วกู้มาก็ไม่ใช่ของตัวเองนะเป็นของกู้เขาถึงเวลาต้องออกไปคืนเช่นเดียวกันสิ่งใ น, นที่เราไม่มีและเราไม่ได้แต่เราอยากได้สุดท้ายเราต้องคืนเขา ไอ้ความอย่างนี้ก็ต้องวางริงซะปล่อยริงซะเพื่อที่จะให้เรานั้นข้ามล่วงอุปสรรคนี้ไปข้ามล่วงไปแล้วจิตใจเราก็จะสูงขึ้นได้คนที่คู้หนี้ยืมสินมานั่นถ้าลองพิจารณาดูเนี่ยเออมันจะไม่มีความสุขไม่ว่าเวลาที่ธนาการเขาส่งสเต t เมนต์หรือว่าไอ้ใบเรียกแจ้งเก็บหนี้เนี่ยมาจะเป็นหนี้บ้านก็ตามหนี้รถก็ตาม แม่ดูแล้วมันยังเหลือเท่านี้จ่ายไปเท่านี้ดอกเบีย้ยเท่านี้มันไม่ได้มีความสุงกับาัมโมฟังแต่หรือว่าคนเป็นอื่นเป็นหนี้นอกระบบเป็นหนี้นอกระบบเขาโทรมาทวงโอ้นี่เบอร์เจ้าหนี้นี่ว่าโอ้ไม่อยากรับนะมันก็มีความกังวลใจความไม่สบายใจนะต้องข้ามตรงนี้นะถ้าไม่ไงต้องมีกำลังจิตจิตเราต้องมีกำลังนะต้องตั้งสติเอาไว้สติเนี่ยจะเป็นกำลังอินทรีย์ของจิต ที่ทําให้จิตมีกําลังแล้วจะข้ามล่วงปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้อุปสรรคย่างที่2ที่พระเจ้าได้กล่าวถึงคือเรื่อง ข, ของความพยาบามนะความคิดร้ายความคิดอาฆาตในสิ่งอื่นเอยละเอียดลงไปหน่อยก็จะเป็นเรื่องของความไม่พอใจนะเราอยากได้สิ่งใดแต่สิ่งนั้นกลับไม่เกิดขึ้นเราอยากได้ให้อากาศเป็นอย่างนี้โอทาไมฝนตก เ, เราไม่พอใจแล้วนะก็เป็นลักษณะของความพยาบามเล็กๆ หรือว่าทําไมคนนี้ไม่พูดกับเราอย่างนี้ทําไมไมันพูดกับเราอีกอย่างหนึง่งสิ่งนี้ทําไมไม่เกิดขึ้นทำไมสิ่งนั้นที่เราไม่ต้องการกลับเกิดขึ้นนั่นะเป็นลนักษณะของความไม่พอใจทั้งสิ้นเป็นความพยาบาท จ, จัดอยู่ในหมวดตรงนี้ไอ้ความอยากและความไม่พอใจเนี่ยมันก็จะมาคู่กันเข้าข่ายลักษณะว่าความพอใจและความไม่พอใจแต่ความพอใจก็จัดอยู่ในเรื่องของการมัชชันทะหรือความเพ่งเลงความไม่พอใจก็จัดอยู่ในเรื่องของความพยาบาท ตาเนี่ทั้งหังมันเจะเดือดร้อนเพราะรูปที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างหูก็จะเดือดร้อนเพราะเสียงที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างเพราะนั้นไอ้หมวดเรื่องของความพอใจก็ตามความยินดีพอใจเคลือบเคลื่มกําหนัดหมัวเมาลุ่มหลงความอยากความเพ่งเลงพวกนี้อยู่ในหมวดเดียวกันแล้วมันจะทําให้จิตของเรานั้นเดือดร้อนความไม่พอใจ ความคิดอาฆาตความคิดร้ายความคิดบองร้ายพยาบาทพวกนี้ก็จะอยู่ในหมวดเดียวกันอันนี้ก็คือความไม่พอใจและมันก็จะทําให้จิตเรานั้นรุ่มร้อนเร่าร้อนเดือดร้อนเพราะว่าความพอใจและความไม่พอใจนี้เดือดร้อนยังไงพอใจน่าจะดีคือถ้าสมมุติเราได้มันก็ดีใช่ไหมเราก็พอใจแต่ถ้าไอ้สิ่งนั้นมันหายไปนี่สิแต่ความไม่พอใจจะเริ่มเกิดความพอใจตรงนั้นจะทําให้จิตของเราเดือดร้อน เพะประเด็นคืออย่าไปพอใจมันความพอใจอยู่ที่ไหนท่างฝั่งความพอใจอยู่ที่ไหนความพอใจในรูปที่ผ่านมาทางตาความพอใจนั้นเกิดที่ใจของเรานะความไม่พอใจเกิดที่ไหนเราได้ยินเสียงเป็นเพลงที่เราไม่ชอบเลยมันผ่านมาทางหูเกิดความไม่พอใจคืนความไม่พอใจเกิดที่ไหนเกิดที่ใจของเรานะคนอื่นเขาฟังเพลงนี้เขาไม่มีปัญหานีิเขาชอบเขาก็ฟังแต่มันไม่ได้อยู่ที่เพลง มันไม่ได้อยู่ที่หูแต่มันอยู่ที่ใจทําไมใจเราเกิดความไม่พอใจใจคนหนึ่งเกิดความพอใจใจอีกคนนึงไม่เกิดตั้งความพอใจไม่เกิดตั้งความไม่พอใจเพราะว่ามันอยู่ที่ใจเท่านังใจของแต่ละคนมีกําลังไม่เท่ากันอะไรที่มันจะมาเป็นเรื่องขวางให้เราก้าวข้ามได้เพื่อให้เราสูงขึ้นเข้าสู่สวรรค์มากขึ้นนั่นเป็นบันไดที่ให้เราไต่ขึ้นแล้วเราจะไต่ข้ามความพอใจไต่ข้ามความไม่พอใจ ข้ามล่วงสิ่งเหล่านี้ไปให้จิตของเรานั้นสูงขึ้นแม้เราก็ต้องดูที่จิตของเราว่าเวลาสิ่งที่มากระทบเนี่ยที่มันทําให้เราเกิดความพอใจไม่พอใจเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องกลางกัน้นเหมือนเป็นบันไดามายื่นมให้เราแล้วคุณจะยืนอยู่นิ่งๆจมอยู่ตรงนี้ให้มันท่วหมหูคุณอยู่หรือว่าคุณจะก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้ก้าวข้ามความพอใจความไม่พอใจที่เกิดขึ้นในชีวิตเหมือนกับบ้านร้างหลังหนึ่งจำฝัง ในบ้านร้างหลังนี้มีหม้อเปล่าๆอยู่เราเข้าไปดูในบ้านร้างหลังนี้เอ้ามีหม้อเปล่าๆก็กลับไปรูปคลำหม้อเปล่าๆอยู่นี้มีคนเตือนบอกว่าเอ้ยบ้านร้างหลังนี้นะหมู่บ้านนี้เนี่ยเดี๋ยวมีโจรที่คอยฆ่าชาวบ้านเข้ามาอยู่เสมอเปรียบเทียบตรงนี้ให้ฟังเนี่ยก็เพื่อดีใจอธิบายว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยเปรียบเหมือนหม้อเปล่าๆนี่แหละหาแก่นาจไม่ได้ โจรที่จะมาคอยฆ่าชาวบ้านที่จะเข้ามาในบ้านร้างนี้นนก็คือเปรียบเหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรสปนบัตรธรรมลมที่จะเข้ามาสู่ตาหูจมูกลิ้นไก่ใจ่เพราะว่าตาหูจมูกลิ้นไก่ใจนี่มันจะเดือดร้อนคือบ้านเนี่ยถูกที่ทําให้ร้างเนี่ยเพราะโจรมันเข้ามามันก็ทําให้เราให้หมู่บ้านนี้เดือดร้อนคนอยู่ไม่ได้หม้อหาว่างเปล่าไปหมดเช่นเดียวกันตาหูจมูกลิ้นไกยใจ ก็เดือดร้อมพระรูปเสียงกลิ่นรสโพธตาธรรมรมที่พอใจบ้างที่ไม่น่านพอใจบ้างมันว่างเปล่าหาเกนสารไม่ได้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้เราจะข้ามล่วงมันไปไม่ได้มันจะกลายเป็นเครื่องคล้องเครื่องกังวลคอยห่อหุ้มจิตใจของเราอยู่สมมติว่ามีอุปสรรคมาขวางหน้าเราถ้าเราไม่รีบข้ามมันไปนะทุก่านฟังมันจะยิ่งท่วมทับถาถมห่อหุ้มเรา มันท่วมทับถาถมห่อหุ้มเราแล้ ว, ลวยิ่งจะแกะยากหลุดยากเราต้องรีบฆ่า ม, มันไปเจออุปสรรคได้รีบฆ่า ม, มันจะแก้ไขจิตใจที่จิตใจของเราทําให้มันดีฆ่าไม่ได้เรื่องความพยาบาลความไม่พอใจนี้พระุทธเจ้าเรียบเทียบเหมือนกับคนที่เจ็บไข้ป่วยไขย้ถ้าใครเคยเข้าโรงพยาบาลป่วยหนักขนาดเข้าโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องให้เขาสวนทวารสวนเบาสวนหนักสวนเบา เพราะว่าลุกขึ้นไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะไม่ได้นะนอนจมกองมูดกองพูดตัวเองก็ไม่ดีละก็ต้องให้เขาสวนสวนมันก็เจ็บล ะ, นะกินข้าวเขาไม่ได้ก็ได้ให้เขาสวนปากกินข้าวไม่ได้อาหารไม่ย่อยต่อให้เขาให้อาหารทางสายยางแรงมันก็ไม่มีนะอะไรมันก็ไม่ได้น่ะเหนื่อยนายไปหมดนะจิตใจไม่มีกําลังเป็นลักษณะของผู้ป่วยแล้วนะคนที่มีความไม่พอใจ ในจิตใจเดือร้อนเพราะรูปเสียงที่ไม่พอใจพวกนี้เดี๋ยวจะมีลักษณะอาการของคนที่ป่วยไข้ถ้าเราไม่เคยนอนโรงพยาบาล น, นะเราอาจจะเคยไปเยี่ยมคนเจ็บไข้ที่โรงพยาบาลและสภาพมันดูไม่ได้ตั้งแต้ฟังสภาพมันเป็นสิ่งที่แบบไม่น่าดูไม่น่าชมเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่หายจากโรคเมื่อไหร่หมดนี่เอออันนี้ดีเดเราจะมีความปราโมทย์บันเทิงใจโสมนัสเกิดขึ้น ใช้หนี้หมดแหมทำฝั่ ง, งวันสุดท้ายที่จ่ายงวดสุดท้ายเนี่ยแม่มันดีใจนะโอ้ยเป็นอิสระแล้วเนี่ยคนที่ผ่อนบ้านหมดผ่อนรถหมดเนี่ยแล้วไม่มีหนี้เหลืออยู่แล้วเนี่ยเอาไปถามก็ดูเขาจะมีความสบายใจมากคนที่เจ็บไข้ออกจากโรงพยาบาลแม่มันก็สบายใจแขนขามีกําลังหมอให้กลับบ้านได้แม่น่าจะให้กลับแดงตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอย่างนี้เช่นเดียวกันถ้าบอกว่าใจของเราสามารถที่จะมีเอาความไม่พอใจออกไป เอาความพอใจออกไปจิตนะใจดำรงอยู่อย่างดีอย่างมั่นคงนะอันนี้จะเป็นเหมือนกับเราตาเราหูเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะเสียงหรือรูปที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจสิ่งที่น่าพอใจเนี่ยก็ทำให้เราเดือดร้อนอย่าไปติดยึดอย่าไปลุ่มหลงในสิ่งนั้นนั่นเป็นอันตรายเป็นกับดักเหมือนกาวดักหนูนะเขาล่อไว้ให้หนูมากินอาหารตรงกลางนี่แต่เข้าไปปุ๊บติดกับทันที เช่นเดียวกันมานมันล่อไว้สิ่งที่จะพอใจเรานะพอมันล่อไว้เราเข้าไปติดกับเราจะเสียหายเราจะมีความเดือดร้อนเหมือนกับโจรที่มาคอยปล้นชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนะในหมู่บ้านก็ไม่มีอะไรมีแต่หม้อหายเ ป, ปล่าเปล่าบ้งๆไม่มีสาระแกนสารอะไรแตนะ่เราพิจารณาเห็นถึงความจริงตรงนี้เราจะวางเจ้าอุปสรรคเราจะข้ามล่วงอุปสรรคนี้ได้ที่เราจะสูงขึ้นจิตเราสูงขึ้นดีขึ้นแล้วเราใกล้สู่สวรรค์มากขึ้น ใกล้สู่ความดีความงามมากขึ้นอุปสรคอย่างที่สมที่จะเกิดขึ้นได้นั่นคือเรื่องของความง่วงความง่วงซึมความขี้เกียจความเบื่อความตึงตึงระหว่างคิ้วมันอยากจะนอนอยู่ตลอดเวลาแความที่เราขี้เกียจขี้คลานเบื่อเซงพวกนี้จะอยู่ในหมวดของธีนามิตะธินามิตะคือความง่วงซึมความง่วงเหงาความเบื่อเซงความขี้เกียจขี้คลานพวกนี้จะอยู่ในหมวดนี้ทั้งสิ้น ส่วนในเกิดตรัสถึงวิธีที่จะแก้ความง่วงให้ท่านพระหมหาโมคละนาฟังในตอนสมัยที่ท่านพระหมหาโมคละนั้นยังไม่ได้เป็นมหานะเป็นเมวคละนัธรรมดาแต่บวชแล้ว7วันเกิดจริงๆเรื่องมหานี่ข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจแล้วว่าเขามาเรียกท่านพระหมหาโมคลานาตอนไหนแต่ว่าตอนที่7วันหลังจากบวชช่วง7วันแรกนั้นถ้าท่านก็เจอประสบปัญาเรื่องของตีนมิถะแต่คือความง่วงซึมนั่งตัวโงกง่วงอยู่ ในเมืองราชกฤตที่ป่าแห่งหนึ่งที่ท่านพักหลีกเล่นอยู่แต่ผู้เดียวกําลังทําความเพียรอยู่ในช่วงนั้นพระเจ้าได้ให้วิธีการที่จะแก้ง่วงซึมความเบื่อความตรงนี้ไปได้ด้วยการคิดถึงเรื่องราวใดๆคือถ้าเราคิดถึงเรื่องราวใดๆแล้วมันง่วงซึมเราก็เปลี่ยนเรื่องที่คิดนั้นสิหรือไม่เราอาจจะไปคิดใกล้ครวนธรรมะหมดใดๆที่เราจําได้ท่องได้เอามาท่องอยู่ในใจ หรือสวดเป็นเสียงดังออกมาหรืเป็นการสวดมนต์เป็นการสาธยายธรรมอันนี้ก็ช่วยได้บางทีการลุกขึ้นเอาน้ําล้างหน้าเอามือรูปตัวการมองแสงสว่างทําให้มีแสงสว่างเข้าไปในตาของเราเนี่ยอย่างเวลาที่เรานอนตอนกลางคืนเพราะว่ามันมืดใช่ไหมไอฮอร์โมนที่ทําให้ร่างกายของเราถ้ามันที่มืดมืดเนี่ยฮอร์โมนพวกนี้ก็จะทํางานมากแต่ถ้าเราเจอแสงสว่างฮอร์โมนพวกนี้ก็จะทํางานลดลง ทำให้เรามีการตื่นตัวมากขึ้นนอกจากการกระตุ้นปลายประสาทด้วยการลูบไปตามตัวเอาน้ําล้างหน้าการย้อนช่องหูทั้งสองข้างก็จช่วยได้นจับที่ใบหูหรือว่าเอาของนุ่มๆอะไรแยงเข้าไปในหูสักหน่อยหนึ่นก็จะเป็นการกระตุ้นให้ปลายประสาทนั้นทํางานได้หรือแม้แต่การที่เราลุกขึ้นเดินในเดินกลับไปกลับมามีใจไม่คิดไปในภายนอกแลพวกนี้จะเป็นเหตุที่ทําให้เราละความง่วงไปได้ นอกจากนี้ถ้าสมมติคนที่นอนไม่พอจริงๆนอนไม่พอจริงนอนน้อยจริงๆร่างกายต้องได้รับการพักผ่อนเนก็สามารถพักผ่อนด้วยกันนอนได้แนอนเวลานอนก็นอนในท่าที่พร้อมจะลุกขึ้นมานอนในท่าพร้อมที่จะลุกก็คือนอนตะแคงขวาหน่หนึ่ง น, นี่นเหมือนอย่างราชสีนอนตะแคงขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้าซ้อนหางไปในระหว่างแห่งขานัาเราก็นอนตะแคงขวาด้วยตั้งใจว่ารู้สึกตัวเมื่อไหร่จะลุกขึ้นดันดี การกระทําเช่นนี้คือเราพร้อมลุกตลอดเวลาพอร่างกายได้รับการพักผ่อนพอประมาณที่ร่างกายของเราต้องการแล้วมันก็จะรู้สึกตัวขึ้นรู้สึกตัวขึ้นปุ๊บเราก็ลุกขึ้นเลยนะไม่ประกอบความสุขในการเอนกายความสุขในการเอนข้างความสุขในการเคลื่อนหลับแต่ให้มีความตื่นอยู่เสมออย่างนี้จะช่วยทําให้เราคลายความง่วงคลายความตีนมิทะคลายความซึมความเบื่อหน่ายไปได้ ในประการหนึ่งคือบางคนเผลอเรอสติไปคิดเรื่องราวที่เป็นทางการความสะดวกสบายต่างๆที่เราเคยมีมาเปในทางการพวกนี้นะมันอาจจะทําให้เกิดความเบื่อทําให้เกิดความง่วงซึมขึ้นได้นะเราก็หลีกเลี่ยงในการคิดเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นอย่าไปทําความพอใจในสิ่งที่เราเคยได้รับมามีมาถ้าเราเป็นผู้ที่อยู่ง่ายกินง่ายนะสันโดษในบริการแห่งชีวิตเป็นคนที่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายอันนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้ เราจะคลายข้ามล่วงก้าวข้ามอุปสรรคนั่นที่ทําให้เราเข้าสู่สวรรค์ได้อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของความฟุง้งซ่านนาคานใจเวลานั่งสมาธิในธรรมฝังแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองทุกวันนี้ก็ยังเป็นนั่งสมาธิแล้วคิดไปคิดไปเรื่องราวต่างๆนานาแต่คิดไปเรื่องราวต่างๆนะนะง า, าๆนานะก็ต้องมาดูว่าเอ้ยความคิดเรื่องราวต่างๆนานาะที่เราคิดนั้นน่ะมันเป็นความฟุง้งซ่านหรือเปล่ามันต่างกันอย่างไร แนะความฟุ้งซ่านเนี่ยคือเป็นลักษณะที่จิตมันตั้งกันไม่ได้แลนะสติไม่อยู่สติหายไปสติหนีไปนะมันต่างกับเวลาที่เราคิดพิจารณานะอย่าเวลาที่เราคิดพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งคิดไหมคิดอยู่นะแต่คิดอยู่ในอะไรคิดอยู่ในกรอบของสมาธินะกรอบของสมาธิเป็นยังไงคือจิตมันต้องมีกำลังจิตมันต้องตั้งกันได้จิตมันต้องสงบจิตมันต้องเย็นจิตมันจะต้องไม่มีความเร่าร้อน ในทางตรงกันข้ามเรื่องของความฟุง้งซ่านความรําคาญใจมีอะไรมากระทบมันจึ๊จะจึจ๊จระขึ้นมานะมันหึมหึมละมันเหมือนกับว่าจะไปในความไม่พอใจแต่มันมีความรําคาญอยู่ข้างในนะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟุ้งซ่านไปเป็นลักษณะของจิตที่ร้อนร้อนจิตไม่สามารถตั้งขึ้นได้เป็นความร้อนรนเป็นความเผารน้นแต่ในขณะที่ถ้าเราตั้งจิตของเราได้ อย่างบางคนคิดพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งปัญหาในหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องการทำข้อสอบอย่างนี้อยู่ในห้องสอบอย่างนี้คุณคิดใกล้ควรปัญหาแคลคูลัสปัญหาทางคณิตศาสตร์พวกนี้เป็นความคิดเจนิดที่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการพยาบาทเบียดเบียนเป็นความคิดที่สามารถที่จะอยู่ในกรอบของสมาธิกรอบของสติได้แต่ซึ่งถ้าความคิดของเราอยู่ในกรอบของสมาธิอยู่ในกรอบของสติอันนั้นไม่เรียกว่าเป็นความฟุง้งซ่าน ไม่เรีว่าเป็นความรําการใจ่แต่เป็นการพิจารณาเป็นการใไข้ครวญเป็นสิ่งที่เรียกว่าวิตกวิจารในวิตกวิจารณ์คือการคิดใไข้ครวญหาเหตุผลบ้างคิดในเชิงลึกบ้างคิดในเชิงกว้างบ้างคิดในการไตร่ตรองพวกนี้ต่างๆสามารถทําได้ซึ่งคิดไตรตรองพวกนี้จะเป็นอุบายอย่างหนึ่งในการที่ทําให้คลายความง่งวงโดยซ้ําเพราะฉะนั้นไอ้ความฟุ้งซ่านําคาญใจหรือแม้แต่ความง่วงซึมก็ตามที่เป็นอุปสรรคอย่างที่3ามและสเนี่ย พระเจ้าก็เปรียบเหมือนกับเวลาที่เราถูกจับขังถูกขังคุกนะความง่วงซึมเนี่ยเหมือนคนที่ถูกขังคุกนะไม่สามารถที่จะเป็นอิสระได้ตามพอใจนะไปไหนก็ไม่ได้บางทีต้องเสียทรัพย์อีกเจ็บตัวด้วยแต่ส่วนความฟุง้งซ่านลำกายใจก็เปรียบเสมือนคนที่เป็นทาตนะุตกอยู่ในความเป็นทาตไปที่ไหนก็ไม่ได้นะเขาก็จิกหัวใช้นะเป็นทาตของตาหูจ ม, มูกลิ้นกายและใจเดี๋ยวตาก็หลากไป เดี๋ยวหูก็ลากไปจมูกลากไปนขึ้นลงยินดีพอใจตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นนี่คือลักษณะของความฟุ้งซ่านําคารใจพวกนี้มันเหมือนเป็นบันได ย, ยื่นมาให้เราเป็นบันได ย, ยื่นมาให้เราก้าวข้ามให้ได้เป็นบันไดที่เมื่อเราก้าวข้ามได้แล้วเราจะสูงขึ้นดีขึ้นเหมือนสพนะพานอ่ะท่านฟังสะพานมาเสร็จเราข้ามสะพานโอยแต่บางทีสะพานมันน่ากลัวเหมือนกันนะเอาเราข้ามสะพานไปได้เราไปถึงดินแดนแห่งใหม่ ในที่ถ้าเปรียบ เ, เทียบกับวัวก็มีน้ําใหม่ให้กินมีหญ้าใหม่ให้กินนนั้ก็จะเป็นดินแดนที่ดีเราข้ามเจ้าพวกนิวรอนอย่างที่3ามและสี่คือความง่วงซึมความเบือ่อความขี้เกียจอย่างที่4ี่คือความฟุง้งซ่นานทำกังวใจพวกนี้ให้ได้เราข้ามไปข้ามไปเนี่ยจตใจเราก็จะเริ่มมีสมาธิขึ้นมาเปรียบเหมือนกับเวลาที่สายยางาเราจเอาสายยางต่อน้ํา จากก๊อกน้ำํำปลายสายข้างหนึ่งเพื่อที่จะไปรดน้ําต้นไม้ก็ตามชําระล้างสิ่งต่างๆก็ตามามันมีรูรั่วอยู่ที่สายยางอยู่5รูแล้อุดมันซะสรูหรือไตร่ตรองอุดมัน5รูเลยลน้ําที่ออกปลายสายมันก็จะแรงแต่ถ้าตรงข้าเถ้ามันยังมีรูรั่วอยู่มันน้ําที่ออกปลายสายที่เราต้องการไปใช้มันก็จะไม่แรงแเช่นเดียวกันไอเรื่องนิวบอลรูรั่วตรงนี้มันมีอยู่5รู นะตั้งแต่แรกคือความพอใจไม่พอใจการมชัญทะเจ้าความพยาบามพวกนีนะ้เป็นรูสรูแรก2รูถัดมาที่ครับท่าอธิบายในที่นี้นะคือนะความง่วงซึมความฟุ้งซ่านําคานใจนะซึ่งเป็นรูที่เราต้องอุดนะอุดแล้วหํามันแรงก้านวะข้ามแล้วจิตใจเราสูงขึ้นทําให้ผ่านแล้วจิตใจเราเป็นสมาธิในะอีกอย่างหนึงอย่างสุดท้ายคือเรื่องของความเคลียบแคลงเราแบ่งเห็นแยง้ง หรือวิจิกิจฉาเป็นอุปสรรคที่จะมากั้นเราวิจิกิจฉานี้บางทีออกมาในรูปของความก้าวร้าวถามคําถามก ว, กวนๆไม่ปฏิบัติตามท่าทางแข็งกระด้างพวกนี้มีปรากฏหรือบางทีออกมาในรูปแบบของความกลัว่กลัวจนร้องไห้บางคนกลัวผีนะท่านฟังกลัวผีก็ไม่รู้เป็นยังไงผีแต่กลัวไปก่อนแต่กลัวความมืดอย่างนี้เป็นต้นกลัวอยู่คนเดียวกลัวห้องที่ไม่คุ้นเคย กลัวไปหมดเอามาในรูปของความกลัวก็มีเพราะความเครือบแคลงระแวงความกงนนังวลในใจะนะปริญ้าเคยเปรียบเทียบกับคนที่นําทรัพย์ข้ามทางกันดารแต่ถ้าเรามีกระเป๋าเจมส์บอลสักใบหนึ่งข้างในใส่ทองคําไว้สัก2อกิโลอย่างเงี้ยทองคําแท่งเป็นตับๆๆไว้แล้วเราเดินไปตลาดอย่างเงี้ยเราจะกลับเราไปร้านทองซื้อทองมาจะออกจากร้านทองมันไม่มีที่จอดรถก็ต้องเดินไปที่จอดรถระหว่างเดินไปที่จอดรถนี่ก็จะกังวลระแวงและ ว่าไอ้คนนี้มันเดินสวนมามันจะทําอะไรเราไหมแลนะ้เราขึ้นรถไปแล้วมอเตอร์ไซค์มาจอยข้างๆมันจะทําอะไรเราหรือเปล่าแลนะ้มันจะมีความกังวลซึ่งความกังวลตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยอาจจะด่าเขานะอาจจะเป็นท่าทางการกลัวนะอาจจะเป็นการต่อสู้หรืออาจจะเป็นการวิ่งหนีได้ทั้งสิน้นซึ่งความวิสิกิจฉาความเคลือบแคลงระแวงเห็นแย้งที่เกิดขึ้นนี้นั่นแหละเหมือนกันท่านผู้ฟังมันมาเป็นสะพานเป็นเหมือนกำบันได ย, ยืน่นไหมเรา เพราะเราจะก้าวข้ามร่วงมันขึ้นไปได้นะให้สูงขึ้นได้เราจะต้องข้ามมันให้ได้เพราะนั้นการที่เราจะข้ามมันให้ได้นะก้าวล่วงมันไปเพื่อจะให้เราเข้าสู่ใกล้สู่ความเป็นสวรรค์นเนี่ยใกล้สู่สิ่งที่ดีที่งามว่บ้านหนึ่งที่เราสามารถที่จะข้ามล่วงวิจิกริชาความเคลือนแคลงเห็นแยงได้เนี่ยคือการโยนิโสมนาสิกานคือการให้เห็นพิจารณาเห็นโดยแยบกายไอ้มืดมืดเนี่ยมันอะไรที่มันมืดลองเปิดไฟดู ยิ่งไม่มีอะไรลองปิดไฟดูเออมันเหมือ น, นมีอะไรฮนะอเภิดไฟดูเอ้ยไม่ ม, มีอะไร P เอาไปไฟดูเออเหมือนก็เหมือนไม่มีอะไรจริงๆเนาะแล้วเราจะค่อยๆมีความจำแจ้งไปหรือว่าเรื่องราวใดๆบางอย่างที่เราไม่คุ้นเคยเราก็ทําความคุ้นเคยซะหรือว่าแม้แต่การที่เราเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายอาจจะสร้างความคุ้นเคยได้รวดเร็วอย่างคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนบางทีเนี่ยเห็นพฤติกรรมของเขาท่าทางการเดินการพูด เออทำให้เกิดมีความคุ้นเคยกันปูิชาก็ยังพูดถึงความคุ้นเคยกันเนี่ยเป็นญาติอย่างยิ่งด้วยซ้ําความคุ้นเคยในสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราประพฤติอย่างคนที่มีธรรมะในนามธรงมฝังนะต่อให้ไม่รู้จักกันออไม่รู้จักกันมาจากการครั้งแรกแต่จิตใจมีธรรมะเหมือนกันมีความโอบอ้อมอารีมีเมตตามีความเอือ้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่พูดจาดีมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันพูดจาในถ้อยคําที่มีความถ้อยทีถ้อยอาศัยนั้นะมันคุ้นเคยกันได้ทันที เป็นเพื่อนกันทันทีก็ได้เพราะว่าความคุ้นเคยกันมีธรรมะอยู่ในใจแต่ถ้าเรามีความกลัวเกิดขึ้นตรงนี้อีกอันหนึ่งที่สามารถช่วยได้นะซึ่งพระเจ้าเคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับ เ, กกเท้าสกะเทวราชที่เมื่อไรเหล่ากองทัพเทวดาของเท้าส ก, กัดเทวราช เ, เห็นยอดธงของเท้าส ก, กัดเทวราชต่อให้ข้าศึกมันจะมีความน่ากลัวขนาดไหนแนะเหล่ากองพลกองทัพเทวดาของเท้าส ก, กัดเทวราช ก็จะไม่กลัวแต่จะมีความมั่นใจมีความไม่สะวันพรั่นพรึงในสิ่งที่พบเห็นนั้นเช่นเดียวกันพระุทธเจ้าเปรียบเทียบข้อนี้เหมือนกับพระพุทธพระธรมพระสงค์ถ้าเราเห็นยอดธงเห็นยอดธงคือพุทธเห็นยอดธงคือธรรมเห็นยอดธงคือสังฆะเราเห็นตรงนี้เราไม่ต้องกลัวให้มีความมั่นใจเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นอาจจะเป็นพระพุทธเจาพระตรรมหรือพระสงค์ก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ท่านไม่กลัวคือท่านมีความไม่มีราคะมีความไม่มีโทสะมีความหมดแล้วซึ่งมโมหะทำให้ท่านไม่กลัวทำให้ท่านไม่มีความพรั่นปรึงในสิ่งที่พบเห็นเช่นเดียวกันถ้าเรามีความกลัวความไม่มั่นใจความเคลือบแคลงให้เรานึกถึงพระรพุทธธมประสงค์เราจะคลายความกลัวคลายความระแวงเหล่านี้ไปได้ให้มีความมั่นใจในพระรพุทธรประสงค์ มีความสบายใจว่าเวลาที่เราเจอสิ่งใดที่เราไม่รู้เราไม่คุ้นเคยทําใจให้มั่นคงนะมั่นคงด้วยธรรมะที่อยู่ในใจเวลาใจเรามั่นคงมีธรรมะที่อยู่ในใจเช่นมีสติอย่างนี้เป็นต้นมีสมาธิอย่างนี้เป็นต้นนะธรรมะเกิดขึ้นในใจเราละเวลามีภาษาใดๆที่เราไม่รู้สึกไม่รู้ตัวไม่รับรู้ไม่เข้าใจมากระทบเนี่ยยังไงจิตเราก็ยังมั่นคงนะไม่หวั่นไหวไป เหมือนแก่งหินที่อยู่ในน้ําที่เขาพัดมาแรงๆแต่นะแก่งหินก็ไม่ได้จะเตือนหนีไปไหนก็ยังอยู่ตรงนั้นแต่เนะช่นเดียวกันใจของเรานะถ้ามีพระบุพเท่าธรมประสงค์เป็นที่พึ่งเป็นที่เกานะแต่ต่อให้น้ําที่เรียบสมวนผัดสา พ, พัดมาอย่างแรงกล้าเท่าไหร่แต่เราก็ไม่หวั่นไหวไปแต่ถ้าเป็นปุยนุ่นที่วางอยู่บนพื้นราบอันสม่ําเสมอเนี่ยนะลมพัดมาทางไหนมันก็ไปทางตรงข้ามลมพัดมาทางใต้มันก็เดี๋ยววิ่งไปทางเหนือจะไม่เหมือนกับเสาหลัก นะที่ปักลงไปในดินเนะสาหนี้เป็นเสาหินทั้งแท่งยาว16ศอกเขาปักลงไปในดินลึกแปอกโผล่ขึ้นพ้นดิน8ศอกทํามุม90องศายอย่างดีตบดินให้แน่นนนะั้ลมพัดมาทางไหนก็ตามฝนตกใส่ก็ตามมันไม่กระเทือนนะเราเอาที่แบบนี้เป็นที่พึ่งนั่นคือความรู้ในอริยสัจ ส, สี่ทั ง, งเราพิจารณาให้เห็นโยนิโสมรดสิการให้แยบกายตามนายัยยะของอริยสัจ ส, สีเราจะเกิดความมั่นใจ เราจะคลายความเครือบแคงคลายความเห็นแยงไปได้อุปสรรคทั้ง5้าอย่างท่านฟังไล่มาตั้งแต่ความพอใจความไม่พอใจความง่วงซึมความฟุ้งซ่านลำคาญใจความเครือบแคลงระแวงเห็นแยงพวกนี้เป็นเหมือนกับบันไดมาควางเราเราปีนข้ามปุ๊บเราสูงขึ้นสูงขึ้นเอกปีนได้เร็วมันเหมือนขึ้นบันไดเลื่อนปีนได้เร็วมีกําลังจิตมากนะ่ะมันเหมือนขึ้นลิฟต์เลยนะ่ะเราจะสูงขึ้นเราจะดีขึ้น เข้าใกล้สู่สวรรค์มากขึ้นนั่นคือความหมายของคำว่าอุปศักนั่นเองอุปศักคือการเข้าใกล้สู่สวรรค์ท่านฟังไม่ต้องสงสัยอะไรมากหรอกนะให้ตามตามที่บอกนี่แหละจะมีความสบายใจวันนี้ข้าพเจ้าพระภัยบุญอภิปุนโนก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เริญบอน